วันกรรมทั้งหลายมีกายากรรมเป็นต้นที่เป็นไปด้วยหนาจของผู้มีศีลมีศีลก็คือนําสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งสามคือศีลนี่เป็นปัจจัยแก่ที่ฐธรรมิกทประโยชน์สัมปรายิกาทประโยชน์แล้วก็ปรมัตถาประโยชน์อยู่แล้วเนาะแล้วก็นําสุขมาให้ในปัจจุบันชาตินี้ด้วยฉะนั้นแสดงให้เห็นชัดว่าคนรักษาศีลได้รับความสุขในปัจจุบันชาติไหม เพราะกุศลศีลนั้นเกิดร่วมกับเวทนาสองคือสมณสเวทนากับอเวขาเวทนาตัวสมณสเวทนาและเวขาเวทนาที่เป็นใบกิจการรักษาศีลเนี่ยเป็นสมณสเวทนาที่มีความสงบไหมถ้าเป็นอุเวขาเวทนาจะสงบยังไงเป็นสภาพธรรมที่สงบเนี่ยเป็นสภาวธรรมที่สงบไม่ใช่เป็นสภาวธรรม ท, ที่ไม่ สงบนะฮตรงนี้ก็จะทำให้เรามองเห็นอะไรมองเห็นว่ากุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการที่เรารักษาศีลนะนะแล้วก็จะเห็นอไรเห็นคาว่ากุศลเนี่ยถ้ามองอย่างนี้ว่าเราจะตรวจสอบได้อย่างไรว่ากุศลเกิดหรือไม่เกิดตรวจสอบอยังไง ต้องมีความเบาความว่องไวของจิตเกิดขึ้นไหมถ้าจิตหนักนี่แปลว่าหนักเพราะอะไรถีนมิทะถีนมิท้เนี่ยทำให้จิตหนักทำให้จิตหนักฉะนั้นตอนนั้นแสดงว่าประธานของจิตตอนนั้นเน่ยทาคืออะไรคือถีนะหดหูท้อถอยของจิตใช่ไหมมิท้าความหดหูท้อถอยของเจตสิกเนี่ย ถ้าหาว่าสภาพใจมันหนักเนี่ยแปลว่าตอนนั้นน่ะอกุศลตอนนั้นน่ะมีถีนะมีท่เป็นประธานอยู่จิตก็หนักทีนี้จะมองอย่างนี้ก็คือสภาพธรรมที่กําจัดเนี่ยนะที่ทําให้ความหนักของจิตความหนักของเจตสิกธรรมเนี่ยสงบลงได้เนี่ยเกิดความเย็นเพราะเพราะไม่หนักเพราะจิตไม่หนักเขากําจัดได้ ทีนี้จะมองอย่างนี้เราก็จะเห็นโอ้ถ้าหากว่ากุศลเกิดขึ้นไม่กำจัดความหนักของจิตได้แสดงตอนนั้นจิตเป็นบาปถามว่าการรักษาศีลจิตจะสงบไหมสงบหรือไม่สงบสงบด้วยเขาเรียกปัดสติคือทำให้ความร้อนของจิตและเจสิกเนี่ยเย็นแล้วก็สงบแปลว่าความสงบเย็นแห่งความ ร้อนของจิตและเจตสิกได้กําจัดความร้อนของจิตได้ภาวะที่จิตเข้าถึงความสงบเข้าถึงความเย็นความไม่หวั่นไหวแห่งจเจริญเจตสิกเกิดขึ้นอะไรทําให้จิตเจตสิกนั้นเกิดความเร่าร้อนอะไรเป็นประธานตอนนั้นเน่ะไม่ใช่อุทธจัจจะอุทธจัจจะสภาพธรรมที่ตรงกันที่ที่เป็นความร้อนก็คืออุทธจัจจะอุทธจัจจะส่วน ปัสสถเนี่มันเป็นความสงบของเวทนาขันเป็นความสงบของสัญญาขันสังขารขันแล้วก็เป็นความสงบของจิตกล่าวคือวิญญาณขันเห็นไหมเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันสภาพใจตอนนั้นเย็นก็คือสงบเพราะไม่มีอุทธจารคือเป็นประธานของจิตถ้าอุทธจารเกิดขึ้นจิตก็ร้อนไหมความเร่าร้อนถ้าจิตหนัก แปลว่าถีนมิทะเป็นเป็นประธานอยู่ตอนนั้นการที่เราจะสงบความหนักของจิตได้ก็เพราะความความเบาใช่ไหมความเบาทีเนี้ยทีนี้ประการต่อมาอะไรทำให้จิตเนี้ยเกิดความเกิดความแข็งอะไรอทิศถีกรมานะทำให้เป็นคนแข็งไหม เป็นคนแข็งดังนั้นทิฏฐีกับมานะถ้าเกิดขึ้นเป็นประธานในกุศลและอกุศลจิตเมื่อไหร่แล้วตอนนั้นสภาพจิตจะแข็งแข็งแปลว่าไม่อ่อนโยนต่อการเจริญกุศลคือจะน้อมก็าหาทานกุศลน้อมได้ไหมจิตมันแข็งแข็งด้วยทิฏฐีกับแข็งด้วยมานะไม่เชื่อใครไม่เชื่อพระศาสดา ไม่เชื่อคําสอนของพระศาสดามันเกิดภาวะของความแข็งมันเกิดภาวะของการต่อต้านแล้วก็มีมานะด้วยเยอ่อยิงด้วยเป็นภาวะของความแข็งหมดเลยไหมแข็งเลยมีกันทุกคนไหมแล้วเกิดบ่อยไหมเพราะบ่อยด้วยเลยแล้วทำไงเวลาเกิดแล้วทำไงก็ให้กุศลประเภทที่ความอ่อนนี่เกิดขึ้นในมุทุตาถ้าไม่เกิดกายยะมุทุตาจิตตามุทุตา ให้เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันนั้นมีความอ่อนเป็นไปกับกุศลไม่ใช่อ่อนแอเนาะตัวเนี้ยนะอ่อนก็คือไปปรับจิตที่แข็งกร้าวต่อคําสอนคืออย่างนี้สาวกบริษัทของพระาศาสดาเนี่ยทําตัวเหมือนไม้ไผ่ธรรมดาไม้ไผ่ต้องลู่ตามลมไหมฉะนั้นเมื่อเราเป็นบริษัทของพระเจ้าต้องลู่ตามคําสอนอย่าต้านคําสอน ถ้าต้านหักไหมหักเลยหักแล้วใครได้ดีพุทธเจ้าได้ดีหรือเราได้ดีพุทธเจ้าก็ได้ดีแต่เราได้ไม่ดีเพราะเราไปต้านต้านไม่ได้หรอกเพราะอะไรคําสอนพุทธเจ้านี่เป็นอะไรเป็นความจริงเป็นสัจจะเป็นความจริงเมื่อทิฏฐิเกิดมานะเกิดอันนี้มันอบายทุกขติวิบัติในโลกนะใช่ไมมันจะเป็นไปนะเบื้องหน้า ฉะนั้นการต้านอย่างนี้ชื่อว่าต้านสัพพัญยุตยานถามว่าพระศ า, าสดาตรัสความเบาความอ่อนความคลวนของจิตทั้งหลายเราเนี่ยนะความอ่อนของจิตและความเหมาะสมความคล่องแคล่วของจิตของเจสึกเนี่ยพระศ า, าสดาตรัส ด, ด้วยสัพพัญยุตยานไหมถ้าเราไปต้านเนี่ยใช้ทิฏฐิมานะไปต้านเนี่ยเ้าเรียกว่าต้านสัพพัญยุตยานของพระศ า, าสดาต้านไหวไหมเราจะหักชิ้นจัก ร, รของพระเจ้าได้ไหมไม่ได้หรอกพระเจ้าเขาเรียกว่า พยานของพระศ า, าสดาเนี่ยใครต้านพังหมดแหละพระเทวทัตเคยต้านมาแล้วเป็นยังไงโอ้เรียบร้อยเลยใครต้านแล้วพังหมดนี่พระศ า, าสดาตรัดสู้สัจจะความจริงถ้าบอกว่าลงอภัยภูมิก็ลงจริงๆเลยแหละถ้าบอกว่าอย่างเนี้ยประพฤติแบบนี้เป็นกุศลศีลก็เป็นจริงๆฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างเนี้ยทุกคนจะไม่กล้าต้านชินจักของพระศ า, าสดาแล้วแล้วลองไปกล่าวตู่พระเจ้าสิไม่ได้แล้วพระเจ้าตรัสอย่างนี้ไม่เหมาะ เราใช้เราใช้อย่างนี้ดีกว่าเหมาะดีกว่างี่ยนะนี่กล่าวตัวใครเนี่ยตัวพระเจ้าอีกพระเจ้าอุตษาหากลัวจะปรัดได้แต่ละคํานี่โดยสรรพยุติยานกว่าจะได้มาเนี่บําเพ็ญบา ร, รมีอย่างแสนสหาหัสแต่ให้คนที่ไม่ได้เคยบําเพ็ญบา ร, รมีอะไรเลยเนี่ยมากล่าวสิ่งที่ไม่ใช่คําสอนเนี่ยโอ้โหจบเลยอย่างเงี้ยฆ่าตัวเองนะเนี่ยใช่ไหมถ้าเราเราเข้าใจคําสอนอนี้เราจะไม่กล้าค้านหรอก ไม่กล้าค่านคำสอนของพระศา ส, สดาหรอกเพราะเราเห็นโอ้โหสัพพยุตญาณทกอนูของคําสอนตรัส ด, ด้วยสัพพยุตญาณก็คือสัพพัยุตญาณคืออะไรปัญญาที่ทะลุทะลวงทุกสิ่งทุกอย่างรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตรัสโ ด, ดยอนนาวรณญาณเนี่ยและตรัสโ ด, ดยอินเดียปรโรปริยติญาณด้วยนะรู้อินทรีย์ของสัตว์ถามว่าคําสอนพระเจ้าเนี่ยถึงพร้อมในอัฏฐานและวิญญชนะไหม บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงไหมแล้วมาอัดก็บริบูรณ์พยานชนะก็บริบูรณ์มีงามเบื้องต้นทำการที่สุดไหมความงามเนี่ยแล้วเรามีอะไรที่จะต้องเพิ่มเติมมั้ถ้าใครจะมาเพิ่มเติมคําสอนพระเจ้าหรือจะมาตัดรอนคําสอนพระเจ้าเราก็ต้องถามเขาบอกว่านี่แสดงว่าภาษาสดาบำเพ็ญบารมีมายี่สิบประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนกลับเนี่ยตรัสที่บอกว่า ถึงพร้อมในอัฏฐานและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงสแสดงว่ายังไม่บริบูรณ์ใช่ไหมถามอไงนะใช่ไหมแล้วมันมีคําไหนที่จะต้องมาต่อมาเติมอีกเลยถามถามเขาอย่างนั้นะแล้วเขาจะตอบเราได้ไหมเหมือนเขาจะบอกว่ายุคนี้ใช่ไหมสมัยใหม่ว่างี้ยเอาพรเจ้าคำสอนพระเจ้าว่าไงถึงพร้อมในอัดไงอัฏถานไงเนื้อความและพยัญชนะไง แสดงว่าทุกพ ย, ยัญชนะนี่พระาศาสดาตรัสไว้หมดแล้วคุณไม่เข้าใจพ ย, ยัญชนะของพระพุทธเจ้าต่้งหากฉะนั้นคุณคิดพ ย, ยัญชนะอย่างไรคุณก็คิดด้วยจิตที่เป็นแค่อกุศลเท่านั้นเองจิตที่ไม่ได้อบรมนี่ไปเสริดอะไรแล้วใช่ไหมถ้ามองนี้จะเห็นคุณของพระาศาสดามากขึ้นไหมโอ้พระาศาสดาตรัสคําไหนเป็นคํานั้นจริงๆนะเนี่ยนี่จะเข้าใจแล้วแต่ก่อนเราก็นึกว่าความรู้เราดีที่สุดใช่ไหมแต่พอ ได้ข้อมูลของพระเจ้าเราจึงรู้ว่าความรู้ของเรายังต้องปรับปรุงอีกเยอะเนี่ยทถ้าทั้งดาพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้แต่ความเห็นเราเป็นอย่างนี้ควรจะปรับคําสอนพระเจ้าหรือปรับความเห็นเออยตรงนี้ชัดแล้วแต่เนี่ยนะจะไปปรับคําสอนพระเจ้านะให้ปรับความเห็นปรับคําสอนของพระเจ้าให้เอียงมาหาเราหรือปรับความเห็นของเราเอียงไปหาคําสอนนั่นแหละเอาความเห็นของเราเอียงเข้าสู่คําสอนทําตัวเหมือนไม้ไผ่ลู่ตามลม แล้วก็รู้ตามคำสอนได้ดีทุกคนแต่ท่านตอนนะั้อย่างเราต้องรู้นี้อะไรงอนี้อะไรเอองอนหนี้บาปงอนหนี้บาปไม่ใช่ว่างอนหนี้บุญน้อมหาบาปไอ้ น, นี้ไม่ใช่แล้วเนะี่ยต่ น, นี้ผิดทางแล้วทำที่ทําให้แข็งกระด้างของจิตและเจตสิกนั้นก็คือทิฏฐิกามานะ เมื่อทิฏฐิมานะเป็นประธานของจิตและเจตสิกเป็นประธานของนามธรรมาแล้วก็ทําให้จิตนั้นเกิดความแข็งเกิดความกระด้างแข็งแข็งต่อคําสอนกระด้างต่อคําสอนไม่โอนไม่อ่อนตามพระธรรมการสอนเวลาจะปฏิบัติในทานกุศลศีลกุศลไม่ยอมอ่อนตามไปเลยเนะไม่ตามเราแข็งเขาจะปฏิบัติตามศีลของเขาเ้าเห็นมีประโยชน์ถ้าบอกว่ามีศรัทธาในพระเจ้าสิ เขบอกอุย้ยศรัท ธ, ธามากไม่ได้เดี๋ยวงมงายว่างั้นขวางงมงายแตกแท้ใช่ไหมศรัท ธ, ธาจะไปงมงายได้ไหมศรัท ธ, ธาเป็นโสภณธรรมไหมเออไม่มีงมงายหรอกไอ้ ง, งมงายเนี่ยก็เรียกว่าโมหะใช่ไหมไม่ใช่ศรัท ธ, ธาหรอกฉะนั้นศรัท ธ, ธายิ่งมากยิ่งดีไหมเออพวกเราเนี่ยต้องเรียกว่าศรัท ธ, ธามากหรือศรัท ธ, ธาน้อยน้อยตอนนี้ยังน้อ ย, ยอยู่ ถ้าศรัทธามากก็ต้องเป็นพระโสดาษณษณบันเป็นต้นไปสิใช่ไหมอันนี้ยังมศรัทธาน้อยอยู่โอ้ถ้าศรัทธามา ก, กยุ่งเลยฮะอ๋อเกือมากอดีตชาตินี้ใช่ไหม <S 2> <S 2> <S 2> <S เพราะบางชาติเราศรัทธามากกว่านี้เนะแต่เราลืมอดีตเนะ่เนี่ยพวกเราเนี่ยบางชาติเนี่ยเดินวินปัสสนาญาณเกือบรรนะลุในรู้เ่าแต่พลาด อาเธอพูดคำนี้เราเราเชื่อไหมเราเดินเดินพาดกันไงสังสารวัฏก็ปิดทับลือมอดีดกันหมดเนี่ยก็ดูที่บางชาติโอโ้โหโหดร้ายมากเป็นผู้นํากองโจรก็เคยลองคิดดูดิปล้นฆ่าตดมมาก็เยอะบางพบบางชาติก็ไปเป็นผู้นํามิจฉาทิฏฐิพาคนเข็นฆ่ากันไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยเนียโอ้โหแต่มาชาตินี้มาเป็นคนดีเนาะอันนี้ดีจริงไหมเนี่ย ต้องให้โสดาปริมักเกิดเมื่อไรเนะี่ยถึงจะน่าไว้ใจนะถ้าเจอหน้าใครก็ถามว่าเขาเป็นคนดีถามคุณได้โสดาปริมักหรื อ, อยังแต่บอกว่ายังอันนี้ต้องอยู่ห่างๆนิดหนึ่งใช่ไม้มอันนี้ไว้ใจยากนะใช่ไหเพราะความดีก็ยังเป็นอนิยามมาทำอยู่เป็นความดีที่ยังไม่แน่นอน นั้นถ้าหากว่าใครจะยกย่องว่าเราเป็นคนดีเนี่ยควรจะเหลงไหมควรควรจะบอกเขาว่าไงออย่า <c oughs> พึ่งยกย่องเรามากนะ <c oughs> เราก็ไม่ค่อยไว้ใจตัวเองเหมือนกัน <c oughs> ว่ายกย่องไปยกย่องมาตอนนี้ชักตื่นเต้นตอนนี้เนี่ยว่าไงเนี่ยต้องบอกเขาว่าอย่างไรเอามปนเรื่องจริงนะแปลกจริงว่ายกย่องกันไปยกย่องกันมาเสียคนก็นมไม่รู้เท่าไหร่เลยยกย่องผู้ที่ชนี่ยกย่องมากกันบาง ดูถูกมากก็โกรธยกย่องมากก็โลภแปลกจริงนะยกย่องมากๆโลภติดอยู่งั้นเนะี่ยดูถูกมากก็โกรธไอหลงไม่ต้องพูดถึงแล้วปิดมุมอยู่นั่นแหละแปลกมากแล้วแล้วถูกยกย่องมากๆนี่มันเดินตัวลอยเลยนะ เ, ยเนี่ยเคยเป็นไหมพูดก็จะเคยเป็นไม่เคย โอ้ไม่เคยแสดงว่าไม่ลืมตัวอะงทีโดนยกยองมากๆเเดินตัวเบาเลยพอกลับมาเพิ่งมารู้โอยตายแล้วลืมตัวไปตั้งพักใหญ่เลยแปลกจริงมนุษย์เรานี่เผลออยู่เลยเลยนะแต่ก่อนต้องคิดดูที่ว่าเมื่อตอนเมื่อสักยี่สิบปีที่แล้วย้อนไปถ้ามีใครมาชมเราโอ้ยคุณสวยน่ารักแล้วก็นึกว่าสวยจริงๆใช่ไ นี่นะโดนยกย่องโดนยกยอเลยเขาให้ทําอะไรทำหมดโอ้โหลืมพอกพระเจ้าไปนานเลยใช่ไมเพราะถูกยกยอก่องนั่นแหละถึงมีวันเนี้ถูกยกยอบอกบ้านแล้วก็ <c oughs> ตอนนั้นเขาก็คงไม่รู้มั่งนรื่อแล้วอย่างไงก็ไม่รู้แล้วเขาหวังอะไรก็ไม่รู้นะ <c oughs> เขาค่ยอกยกย่องแล้ว เราก็ไม่เห็นดีเท่าไหร่เขาบอกคุณนี่ดีเราก็ไม่เห็นน่ารักเท่าไหร่เขาคุณนี่น่ารักกขพูดบ่อยๆกนโอ้โหเธอเนี้ยไปหมดแล้วเธอเนี้ยเออเราดีนะเราน่ารักนะเราก็ไม่ได้สวยอะไรมากใช่ไหมคุณนี่สวยโอไปหมดเลยเธอเนี้ทั้งดีทั้งสวยทั้งน่ารักอะไรทั้งเก่งแล้วไปใหญ่แล้วเธอเนี้ยเดินไม่เห็นฝุ่นแล้วเอเนี้ป๊บกป๊ป๊อไปแล้วเดนยกซะแล้วทําไงแล้ว กวจะรู้ตัวซะได้ไหมแทบแย่เลยตอนนี้เริ่มรู้ตัวยังว่าโดนเนาโอ้แต่มาดูตอนนี้ตอนนี้พอสถานการณ์นั้นมันหายไปใช่ไหมแล้วก็แค้นนี้ทําไมไอ้คนนี้นิสัยไม่ดีเลย <c oughs> พูดกลับไปกลับมาไอ้ <c oughs> แต่ก่อนก็พูดยกย่องใช่ไหมแต่มาตอนนี้ทําไมพูดอย่างนี้ไปได้ <c oughs> แล้วก็ เราก็เอ๊ะไม่เข้าใจแต่ที่ไหนได้ว่าจริงๆก็คือว่าอย่างนี้ทําให้เราลืมพระพุทธเจ้าเลยนะทําให้เราลืมเลยเออบุคคลที่หวังดีกับเราจริงๆแล้วถ้าเราเอาความที่ไปดูแลบุคคลที่เราเคยเคยไปพเนาพนอจริงๆอย่างๆกลับมาดูแลอุปถากว่าผู้มีภาคเจ้าจริงๆโอ้ป่นนี้น่าจะได้ดีได้ดีมากกว่าเยอะเนาะ แล้วไปบูชาบุคคลที่ควรบูชาไหมนะไม่ควรเลยเนะาะตรงนี้ก็เลยผิดพลาดเลยชีวิตอะเป็นไรแก้ตัวใหม่พระเจ้าว่างันนั่นเลคือถ้ามองอย่างนี้เราจะเห็นความที่กิเลสมีทิฏฐิมานนะเป็นต้นเป็นสภาพที่แข็งส่วนคําว่ากรรมัญญตาเนี่ยนะกรรมัญญานี่ก็เหมาะก็ได้ควรก็ได้เหมาะก็ได้ควรแล้วเหมาะ สภาพธรรมที่ทําให้ความไม่ควรในการงานคือการเดินทานกุศลศีลกุศลเนี่ยลักษณะอย่างนั้นเป็นสภาพของกิเลสอะไรล่ะทําให้จิตนั้นเกิดไม่เหมาะไม่ควรเนี่ยคืออะไรสภาพที่ตรงกันข้ามกับสภาพที่ไม่เหมาะไม่ควรก็คือพวกกลุ่มนิวรณ์นั่แหละการมาฉันท์่าเนี่ย ทีนนะไม่เท่าอุทจารกุกุจาทั้งหลายที่รวมๆกันอยู่เนะี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าทําให้จิตไม่ควรในการงานที่ดีการงานที่ดีทั้งหลายการงานในทานกุศลการงานในศีลกุศลในภาวนากุศลทั้งสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเนี่ยฉะนั้นกรรมมัญญาตาเนี่ยของของจิตเจตสิงหลายช่วยให้เลื่อมใสในเหตุอันควรเลื่อมใส คือพระรัตนตรยัยถามว่าอะไรเนาะทําให้จิตของเราเนี่ยไม่เลื่อมใสจริงๆในพระพุทธเจ้ากลุ่มนิวรณทั้งหลายเออกลุ่มนิวรณทั้งหลายนี่แหละความติดข้องในการมาคุณความหงุดหงิดฟุ้งซ่านความลังเลสงสยัยความพยาบาททั้งหลายเราเนี่ยนะแต่ถ้าสภาพธรรมที่ทําให้ความไม่ควรแก่การงานที่ดีของจิตแจเจสิกสงบเย็นลงได้ให้เหมาะให้สมได้เนี่ย ลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่ากรรมัญญาตาเนะเขาเรียกกรรมัญญะกรรมัญญาตาเนี่ยเป็นความบริบูรณ์ในการที่จิตนั้นน่ะเขาบอกว่ารับอารมณ์ได้เต็มที่รับตอนเนี้ยเราสามารถรับทานกุศลได้เต็มที่ยังไม่ค่อยแข็งแรงเต็มที่แต่ก็เริ่มมากขึ้นใช่ไหมแต่ก่อนเวลาน้องก็ทานในกุศลน้องก็ศีลกุศลน้อมก็สมถะ คือพุทธคุณเนี่ยไม่ค่อยเต็มที่หรอกเพราะความเหมาะความควรของจิตเนี่ยไม่ค่อยมีแต่ถ้าหากว่ามันเกิดความเหมาะขึ้นมานี่นะความควรของจิตเนี่ยแปลว่ามันมีทั้งความคล่องแคล่วมีทั้งความอ่อนใช่มมีความสงบเย็นเป็นต้นเนี่ยทีนี้แปลว่าอะไรเวลาจะน้อมทานก็น้อมเต็มที่เลยน้อมก็ไปในการเดินสีลกุศลก็เต็มที่หรือเดินพธคุณเนี่ย ก็ไม่เป็นเหมือนก่อนมันไปได้แต่เพี้ยนจังแต่ศรัทธามันไม่ไปอ่ะอยากจะให้มันเกิดนะเอ้าเพี้ยนไปเพี้ยนมาหงุดงิดอีกมันไม่เดินเนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรความควรแล้วก็ความเหมาะของจิตและเจสิกยังไม่พอยังไม่พอเหตุที่ไม่พอเพราะสภาพของกุศลเนี่ย น, นะ นั้นสภาพธรรมที่บริบูรณ์ด้วยการกระทําอารมณ์ของจิตเจยสิกเหล่านั้นให้เต็มที่สภาพธรรมที่ทําให้ผลคืออารมณ์ที่สมบูรณ์เนี่ยอะไรสมบูรณ์น้อมก็หาทานนากุศลก็บริบูรณ์แปลว่าเชื่อไหมเชื่อในเจตนาทานอโรภะทานวัตถุทานเชื่อเต็มที่เชื่อในศีลเชื่อในสมาธิสรุปก็คือพอเชื่อในสิกขาสามว่าสิกขาสามนี้แหละ เป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความพ้นทุกข์ได้ศิกขาสามเป็นศาสนาลืมเข้าใจแล้วฉะนั้นการที่เราเนี่ยไม่ตกจากศาสนานี่แเลยเป็นความเจริญเป็นความบริบูรณ์แล้วใช่ไหมก็พยายามเอาศาสนาให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตเอาเมื่อเราเดินตามศาสนาเดินตามสิกขาสามเนี่ยทำเราคิดว่าผลประโยชน์ที่ได้จากการปฏิบัติเนี่ยเราเชื่อมั่นไง ผลประโยชน์ที่ได้จากการปฏิบัติเนี่ยมันมีผลถ้าเราเดินไปจริงๆเนี่ยผลของการข้นผ ล, ผลการปฏิบัติในในใ น, ในสัตว์ในศิกขาสามนี่เนะยผลของเขาก็คือการพ้นทุกข์ใช่ไหมแล้วถ้าเราเดินอยู่ในเราไม่ตกจากาศาสนานเนี่นะเราไม่ตกจากศีลสมาธิปัญญาเนี่ยชีวิตเราปลอดภัยไหมถ้าบางครั้งตกบางครั้งขึ้นได้บางครั้งตก บางครั้งคืนได้หน้าเป็นห่วงไว้เนี่ยเออตอนนี้เราสามารถเดินกระแสชีวิตข้างเราให้อยู่กับสิกขาสามได้ยาวๆไหมยยาวขึ้นไหมถึงห้านาทียังถึงแล้วเลยโอ้ยี่น่าเชื่อใจนะเพราะว่าคนที่เขาเดินได้ชํานาญก็เดินกันอย่างนี้นะเขาเดินว่าเขียนปุ๊บสิกขาสามก็เกิดได้ได้ยินปุ๊บสิกขาสามก็เกิดได้อันนี้เนี่ยถ้าพูดอย่างเงี้ยมันเหมือนเนะีอ๊ะ ทำยังไงอ่ะถ้าเห็นปั๊บความโลภเกินความโลภเกิดเกเห็นปั๊บความขัดเคืองเกิดศีลเกิดไหมกหนัดเกิดสมาธิเกิดไหมลุ่มหลงเกิดปัญญาเกิดไหมเห็นไหมสิกขาสามมันเกิดได้จากการเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสแล้วก็คิดนึกแปลว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจะเกิดได้ทุกทวารอันนี้แปลว่าเดินสิกขาสามได้แข็งแรง ก็ไปสังเกต ด, ดูมันเดินได้จริงๆก็บรรณินวัดกันเลยนะเดีเนี้เป็นเครื่องวัดเลยนะการเห็นแล้วทําให้ศีลเกิดอันนี้เป็นข้อปฏิบัติเลยนะเห็นแล้วถ้าศีลเกิดสังเกตได้ง่ายๆคือโทสะไม่เกิดเพราะศีลทําลายโทสะสมาธิทําลายโลภะใช่ไําทําลายกรรมมิฉันทะก็เป็นปฏิบัติต่อก ร, รมมิฉันทะนี่ปัญญาก็ทําลายโมหะโอชัดเลยเดีเยวนี้ได้ยินปุ๊บโลภ โทรศพท์โลภะโมหะก็ไม่เกิดได้กลิ่นอาจจะไปกินอาหารผ่านมาแล้วโลภะเกิดไหมเกิดตอนนั้นตอนนั้นเน่ะกรมวิันท่าเกิดสมาธิไม่เกิดใช่ไหมพอคิดได้นะที่จริงพอเกิดเบีเสร็จปุ๊บนี่นะตอนนั้นสีมทางใจไม่เกิดสมาธิทางใจปัญญาทางใจไม่เกิดใช่ไหมเพราะกิเลสเกิดนี่สิกขาสามไม่เดินแต่ไม่ทันล่วงละเมิดออกมาใช่ไหม แล้วยังดูแลได้อยู่แล้วลึกทันก่อนถ้าลึกไม่ทันออกไหมทันทีเลยขอมั่งีไปแล้วจะไหมเริ่มพูดจาหวานล้อมแล้วไปแล้วออกทั้งวจีกรรมแล้วจะไหมหน้าเข้าน้าเข้าก็เอเริ่มเริ่มมีวิจิตในศีลแล้วใช่ไหมเคยเห็นกรรมมาเคยครอบกันมาเคยพูดกันไว้รู้ว่าเอาไปแล้วก็จะดีใจรีบคว้าวก่อนเลยนี่เนี่ยมันมีหลักของการมันก็เรียกถือวิสาสัง ไม่รู้เขาจะให้มาดีใจเปล่าไม่รู้ให้เราพู้ปฏิบัติธรรมเขคงไม่หวงมั่งรีบเลยคว้ามาก่อนเลยเสียศีลเลยนะนี่เสียเลยเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเห็นเขาได้ยินเนี่ยเห็นอาหารปุ๊บก็ตั้งหลักก่อนโอ้ทศีลเกิดใช่ไหมสมาธิเกิดปัญญาเกิดก็แปลว่าโลภะทสารมหาไม่เกิดนี่ปิดได้ไหมเป็นอินทรียิสังวรด้วยไหมนี่พัฒนาจากกุศลศีลธรรมดาเป็นอินเดียสังวรศีนลนะ้ สติเข้ามาทํากิจแข็งแรงไว้ตอนเนี้นี่เป็นสติสังวรนะเนี่ยสติมาเป็นประธานของเจตนานศีลเจสิกศีลสังวรศีลนวิธีก็ามานี่การปฏิบัติมันเดินอย่างนี้เยมิมมันเดินแบบนี้ต้องซ้ายย่างนอขวาย่างนอก่อนไหมตอนเนี้ยไม่ต้องแล้วใช่ไหมอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าชํานาญมากป้องกันบาปได้แล้วเออเริ่มชัดเจนแล้วเนะี่ยเยบ่